วันนี้เป็นวันอังคารที่24ุ่่กุมพาพัน์พุทธศักราช2569เเป็นวันพระวันสร้างพระพระที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาสร้างกันในวันนี้ไม่ใช่เป็นพระพุทธรูป ที่ทำด้วยโลหะทำด้วยวัตถุแต่เป็นพระอาริยบุคคลที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาภายในใจของพวกเราแต่ละคนพระอาริยบุคคลคือพระที่ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ให้ค่อยๆหมดไปตามลำดับขั้นของการบรรลุเป็นพระอริยะพระอริย์นี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าขั้นพระโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าพระอนาคามีและขั้นที่สี่เรียกว่าพระอาหารหันต ที่คือพระในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธหมั่นมาสร้างกันพระองค์ไม่เคยสอนให้ชาวพุทธเรามาสร้างพระพุทธรูปกันทรงสอนให้เรามาสร้างพระอริยบุคคลกันเพราะว่าพระพุทธรูปนี้ไม่สามารถทำให้จิตใจของพวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แต่การได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจะทำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้และการเป็นพระอริยบุคคลนี้ไม่จาเป็นไม่ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นพระภิกษุเป็นนักบวชเท่านั้นไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นผู้ชายไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่ เพราะว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นพระก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลได้ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ชายคือเป็นผู้หญิงก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลได้ผู้ที่ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้พระอริยบุคคลนี้ <uten> ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เพศ ท, ที่วัยแต่อย่างใด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการโกนหัวห่มผ้าเหลืองหรือห่มผ้าขาวแต่อย่างใดแต่ขึ้นอยู่เกีกับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขัานต่างๆได้ และการที่จะสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะถ้าไม่มีเวลาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ย่อมเกิดขึ้นมาไม่ได้พระพุทธองค์จึงต้องกำหนดเวลาให้ชาวพุทธเรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันเช่นวันพระนี้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหยุดภารกิจการงานต่างๆหยุดภารกิจการหาลาบยศสารเสริญสุขหาความสุขทางโลกหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเวลามาสร้างพระกันมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกัน คำว่าปฏิบัติดีก็หมายถึงปฏิบัติเต็มที่เต็มร้อยทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปไม่ควรจะปล่อยให้เวลาที่เราตื่นนี้ปราศจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ<ม>การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อยู่ที่การเจริญสตินี้เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สตินี้เราสามารถเจริญได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่เราจะไม่สามารถเจริญสติได้มีพระอาจารย์รุ่นหนึ่งท่านพูดว่าถ้าเราหายใจได้เราก็ปฏิบัติธรรมได้เราก็เจริญสติได้ถ้าเราหายใจแล้วเรามีสติรู้อยู่กับการหายใจเข้าออกของเรา อันนี้ก็เรียกว่าเรามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเป็นการเจริญสติก่อนพอทมต่างๆที่จะตามมาจะต้องมีสติเป็นผู้นำทางถ้าไม่มีสติเป็นผู้นำทางทำอื่นๆเช่นสมาธิทำปัญญารมวิมุติธรรมการหลุดพ้นขั้นต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาได้ จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีการเจริญสติในเบื้องต้นก่อนเพราะเมื่อมีสติแล้วก็จะสามารถนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบได้ให้เกิดอุเบกขาวางเฉยได้เมื่อมีสมาธิแล้วก็สามารถใช้สมาธิในการกาจัดกิเลสด้วยการใช้ปัญญาวิเคราะห์หา สาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรพอรู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากในสิ่งนั้นอยากในสิ่งนี้เกิดใช้สมาธิคือการวางเฉยนี้หยุดความอยากได้ทันทีพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากนั้นก็จะหายไปทันทีการบรรลุวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็จะปรากฏขึ้นทันทีภายในใจการได้เป็นพระอริยะบุคคลก็เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ได้กำจัดความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้ทำให้ใจไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือแผนที่โดยประมาณของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการเจริญสติอย่างเช่นวันพระนี้เรามาเอาเวลาทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงคือตั้งแต่เช้าเริ่มต้นตั้งแต่เช้าของวันนี้ตอนประมาณ6โมงเชา้าพอสว่างพอเราตื่นขึ้นมาเราก็เจริญสติไปจะเจริญสติไปกับลมหายใจเข้าออกก่อนก็ได้ เช่นพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ลุกขึ้นมากราบพระกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็นั่งขัดสมาธิแล้วนั่งบนเก้าอี้นั่งบนขอบเตียงแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี้เราหายใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเราหายใจได้เราก็ปฏิบัติธรรมได้โดยการใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติของเราเป็นที่ตั้งของสติ มีสติคือการระลึกรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจที่ปลายจมกูกลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปทําให้ลมสั้นหรือลมยาวปล่อยให้ลมเป็นไปตามธรรมชาติของลมสติมีหน้าที่เพียงแต่คอยดึงใจ ให้เราเลิกรู้อยู่กับลมเท่านั้นตอนเริ่มต้นใหม่ๆลมก็จะมักจะเป็นลมที่สั้นไระหยาบแต่พอนั่งไปสักระยะหนึ่งลมก็จะค่อยๆละเอียดเข้าไปเบาลงไปแล้วก็หายใจยาวขึ้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่รับรู้เฉยๆไปให้รู้อาการของลมว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ต้องตามลมเข้าไปข้างใน ไม่ต้องตามลมออกมาข้างนอกให้รู้อยู่ตรงจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกแถวบริเวณปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาให้รู้อยู่ตรงจุดนั้นไปเรื่อยๆอย่าให้อะไรมาดึงใจให้ลืมลมหายใจไปอย่าให้ความคิดมาดึงให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าให้มี ถ้ามีเสียงเข้ามาก็อย่าให้เสียงดึงใจออกไปจากลมมีภาพมีอะไรปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่งสมาธิก็อย่าให้ไปจากลมหายใจอย่าให้อะไรมาดึงใจไปจากลมหายใจจิตจะต้องอยู่เกาะติดอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวจิตถึงจะรวมเป็นสมาธิได้รวมเป็นหนึ่งได้เราต้องการรวมใจให้เป็นหนึ่งให้เป็นศัก์แต่ว่ารู้ แล้วจิตก็จะสงบนิ่งแล้วจิตก็จะมีความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีความสุขใดเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนอกจากความสงบแล้วได้ความสุขแล้วยังได้อุเบกขาจิตจะเป็นจิต ท, ที่ปราศจากอารมณ์ลักชังกลัวหลงจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะสัมผัสรับรู้อะไร ก็จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะสักแต่ว่ารู้เฉยๆไปนี่คือคุณสมบัติของสมาธิของความสงบ <c oughs> จะทำให้จิตมีกำลังต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆได้เวลามีอะไรมากระทบอารมณ์ต่างๆมักจะไม่ค่อยเกิดถ้าจิตมีสมาธิมีความสงบ ความโกรธก็จะไม่เกิดความรักก็จะไม่เกิดความกลัว ก, ก็จะไม่เกิดความหลงวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆก็จะไม่เกิดจะรู้สึกเฉยๆดูแล้วก็ปล่อยวางไปนี่แหละคือคุณสมบัติหรือผลที่เราจะได้รับจากการเจริญสติในเบื้องต้นในตอนที่เราเตื่นขึ้นมาแต่เช้ากิดแรกที่เราควรจะทำก็คือ จเจริญสติก่อนเพื่อนนั่งหลับตาแล้วก็จเจริญสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกไป<ม>ถ้าเราสามารถเริ่มต้นของวันของเราในแบบนี้ได้วันนั้นจะเป็นวันที่มีความสุขมากมเพราะว่าเราเริ่มต้นของใจด้วยความสงบด้วยความสุขแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องรักษาความสงบความสุขที่เราได้จากสมาธิด้วยสติต่อไป พอเราออกจากสมาธิมาพอเราเริ่มลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินลุกขึ้นไปทำอะไรทำหน้าที่ของเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวเราให้เรามีสติอยู่งานที่เราทำต่อหรือถ้าเราจะมีสติอยู่กับลมก็ได้แต่ไม่ค่อยนิยมกันเพราะว่าเราต้องมีสติอยู่งงานที่เราทำจะดีกว่า งานที่เราทำจะได้ไม่ผิดพลาดเดี๋ยวใส่เสื้อผิดกับข้างในออกข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นถ้ามัวมีแต่สติอยู่กับลมไม่ดูเสื้อผ้าที่เราจะใส่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นเป็นข้างนอกหรือข้างนอกเป็นข้างในดังนั้นโดยโดยความจริงแล้วเวลาที่เรามีการกระทาอะไรในทางปฏิบัติเราจะมีสติอยู่งานที่เรากาลังทาอยู่ กำลังแปลงฟันเราก็ต้องมีสติอยู่กับการแปลงฟันดูว่าเราแปลงฟันถูกถูกไหมแปลงฟันซี่ไหนแล้วฟันซี่ไหนยังไม่ได้แปลงเป็นต้นถ้ามีสติติดตามดูเราจะรู้อยู่ทุกเวลาถ้าเราไม่มีสติเราอาจจะแปลงข้ามซี่นั้นไปข้ามซี่นี้มาก็ได้เพราะเรามัวไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนเราต้องไม่คิดเรื่องอื่นเราต้องให้รู้อยู่กับ งานที่เรากำลังทำอยู่ถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเป็นการเจริญสติสตินี้เป็นเป็นธรรมที่สำคัญในทุกกรณีไม่ว่าจะนั่งสมาธิก็ดีจะเดินจงกรมก็ดีจะทำภารกิจต่างๆก็ดีต้องมีสติถึงจะทำให้จิตใจมีความสุขมีความสงบทำให้จิตใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจได้ ถ้าทําอะไรแล้วไม่มีสติปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวความวุ่นวายใจก็จะปรากฏขึ้นมามความโกรธความดีใจความเสียใจความเศร้าส้อยหงอยเหงาอะไรต่างๆก็จะตามมา ท, าทันทีถ้าไม่มีสติคอยควบคุมใจเอาไว้เราจึงจําเป็นที่จะต้องเจริญสติทั้งวัน นี่แหละเป้าหมายของการปฏิบัติที่แท้จริงในเบื้องต้นคือการฝึกสติการเจริญสติ <Hey. S 1> เราต้องเจริญสติให้ได้ทั้งวันให้ต่อเนื่องให้เป็นสัมปะชัญญะสติสัมปะชัญญะหมายถึงสติที่ต่อเนื่องสติที่ไม่หลุดสติที่ไม่หายสติที่ไม่เผลอถ้าเราไม่มีความตั้งใจ จดจอ่ออยู่กับการตั้งสติเดี๋ยวสติที่เราเราเลืกรู้อยู่กับอะไรก็จะหายไปพอมีอะไรเข้ามาให้เราสัมผัสรับรู้จิตก็จะไหลไปกับสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้เรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เข้ามาก็ไปคิดถึงเขาเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรต่างๆมันจะคอยประดังเข้ามาในใจตลอดเวลา ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะถูกสิ่งเหล่านี้ฉุดลากไปแล้วก็ไปทำให้ใจเราวุ่นวายกีกับสิ่งต่างๆได้แต่ถ้าเรามีความแน่วแน่ต่อการถูกใจของเราให้อยู่กับลมหายใจก็ดีถ้าเรานั่งเฉยๆหรือถ้าอยู่ถ้าเราทำอะไรก็ผูกใจไว้อยู่การกระทําของร่างกายไปทางกายกำลังรับประทานอาหาร ก็ให้ผูกใจอยู่กับการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวเริ่มตั้งแต่จากตักอาหารจากจานเข้าปากเข้าไปในปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวแล้วก็เกืนให้มีส ต, ติตามขั้นตอนของอาหารนี้ไปจนถึงเวลาเกืนเข้าไปในท้องแล้วพอเริ่มตักอาหารใหม่จากจานใหม่เข้าปากใหม่เคี้ยวใหม่เกินใหม่ก็ให้มีสติดูอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้เพียงอย่างเดียว อันนี้เราเรียกว่าเป็นการเจริญการยักตาสติการมีสติอยู่การอยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายผูกใจไว้ให้อยู่กับร่างกายไม่ให้ใจไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆแล้วใจจะไม่ใจจะสงบใจจะเย็นใจจะสบายใจจะไม่วุ่นวายแต่ถ้าไม่มีสติผูกใจไว้อยู่กับ การการทำงานของร่างกายปล่อยให้ใจคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ขณะที่ร่างกายทำทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้เวลาทํางานก็ จ, จะทํางานอย่างผิดพลาดเห็นเลขการ จ, จะเขียนเลขผิดแทนที่จะเขียนเลขสองการไปเขียนเลขห้าเป็นต้นเพราะใจลอยไปกับความคิดคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ ใจไม่ได้อยู่กับงานที่ทำตลอดเวลาก็จะทำให้เสียหาย ใ, ในการทำงานแล้วก็จะทำให้เสียหายต่อจิตใจโดจิตใจจะไม่นิ่งไม่สงบจิตใจจะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะทำอะไรผิดเพราะไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วเรื่องที่ทำให้ไปคิดก็ทำให้เกิดอารมณ์ เกิดความทุกข์เกิดความวิตกเกิดความกังวลอะไรต่างๆตามมาปัญหาเหล่านี้เกิดจากการไม่มีสติเกิดจากการปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยอย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องควบคุมใจด้วยสติทั้งวันทั้งคืนอย่างน้อยถ้าเราถือวันพระเป็นวันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราเราก็ต้อง มีสติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาที่เราหลับเท่านั้น<ม>เวลาที่เราจะก่อนที่เราจะหลับเราก็ดูลมหายใจไปเอนหลังหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจไ ป, เ ด, จไปเดี๋ยวไม่นาน<ม>ก็จะหลับได้ง่าย<ม>เพราะไม่มีความคิดอะไรมาทําให้เราเครียดกันแล้วพอเราตื่นขึ้นมามเราก็เจริญสติดูลมหายใจเป็นอย่างแรกก่อนเลยลุกขึ้นมานั่ง แล้วก็ดูลมหายใจนี่แหละคือวิธีการปฏิบัติของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านทํากันอย่างนี้ทุกวันทุกเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่ท่านจะไม่ได้เจริญสติแต่สำหรับพวกเราที่เป็นคารวะทุกครองเรือนนี้เราก็อาจจะต้องหาเวลามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเช่นวันนี้วันพระ วันพรานี้เป็นวันที่เราควรหยุดทำภารกิจการงานต่างหยุดภารกิจการหาความสุขทางโลกหารากยศสรรเสริญหาความสุขจากโลกเสียงกลิ่นลดแล้วเราจะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบในการที่เราจะมีเวลาปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบได้เราก็ต้องงดกิจกรรมทางโลกไปงดกิจกรรมทางกามอารมณ์ไปด้วยการ ปฏิบัติเนคขมมะหรการถือศีลแปดนั่นเองคำว่าเนคขมมะแปลว่าการละเว้นจากการหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดเช่นศีลข้อสแล้วก็มาถือเป็นอ布拉มจริยาจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันแล้วก็ศีลข้อหก็คือไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากต่างๆ แต่อนุญาตให้รับประทานเพื่อเลี้ยงร่างกายได้แต่ไม่ให้เลี้ยงไม่ให้รับประทานมากจนเกินไปรับประทานได้ไม่เกินเที่ยงวันเป็นอย่างมากหลังจากเที่ยงวันแล้วก็ยุติการเรื่องการรับประทานอาหารการดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่มีรูปเสียงกลิ่นรสถ้าจะหิวน้ำก็ให้ดื่มน้ำเปล่าไปหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่อาหารนี้ไม่ให้รับประทานเลยพอแล้ว ร่างกายอยู่ได้แล้วไม่ตายรับประกันได้รับประทานอาหาราวันละหนึ่งมื้อนี้ก็พอเพียงต่อการเลี้ยงร่างกายให้อยู่ไปได้ไม่ให้ร่างกายหิวโ ห, วหวจนเกินไปนี่ก็คือสินข้อหกแล้วศสินข้อเจ็ดก็ให้ระงับการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสจากมหละลสบบันเทิงต่างๆการดูหนังฟังเพลงการร้องรำทำเพลงการไปตามงาน ต่างๆงานเลี้ยงต่างๆไปสถานบันเทิงต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราจะไม่ไปหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นเลเราจะเวลานี้มาเจริญสตินั่งสมาธิกันแทนแล้วเราก็จะไม่หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายของเราไม่ต้องใส่เสื้อผ้าวิจิตพิสดาร ไม่ต้องทำหน้าทำตาทำผ้าทำผมอาบน้ำให้สะอาดก็พอหวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยก็พอใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายไม่มีสีฉูดฉาเส้นใส่ชุดขาวก็ได้หรือดำก็นุ่งดำห่มขาวก็ได้แต่ไม่ต้องเน้นเรื่องของการความสวยงามเพราะว่าเราความสุขจากความสวยงามนี้เป็นความสุขปลอม เพราะว่าร่างกายของเราไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเหี่ยวยนไปมันต้องแก่ไปจะเสริมความงามอย่างไรมันก็จะไม่สามารถทำให้มันสวยงามได้เรามาเน้นความสวยงามทางด้านจิตใจดีกว่าจิตใจที่ไม่มีวันเหี่ยวไม่มีวันเฉาไม่มีวันแก่เน้นด้วยความสวยงามของจิตใจก็คือความมีศีลละธรรมการไม่ไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อน เช่นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายามเอาเป็นต้นอันนี้เป็นเครื่องเสริมความงามของใจใครที่มีศีลแล้วจะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีมีคำพูดว่ากลิ่นหอมของศีลนี่ไปทั่วทุกสารทิศไบได้แม้กระทั่งทวนลมไปได้ ทวนกระแสลมได้ความหอมของศีลอยู่ที่ไหนใครเขาก็สามารถที่จะรับรู้ถึงความสวยงามของเราได้ถ้าเป็นกลิน่นนี้มันจะไม่สามารถทวนกระแสของลมพัดได้แต่ความสวยงามของศีลธรรมนี้สามารถที่จะทําให้สวนกระแสของลมได้ให้เรามาเน้นการสวยงามด้วยการรักษาศีลกันไป แล้วก็มาทำจิตใจให้สงบให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาเพราะเมื่อมีอุเบกขาก็จะมีเมตตากรุณามุดิตาตามมาโดยอัตโนมัตินี่คือภารกิจของวันพระถือศีลแปดเนปฏิบัติเนกขมมะละเว้นการเสพกามการนอนก็ไม่ให้นอนมากจนเกินไปไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอน ให้หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายเวลาเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเวลาเ่วงมากๆนี่นอนที่ไหนก็นอนหลับได้ไม่จําเป็นจะต้องนอนบนฟูกนะนะเตียงสํารานนอนกับพื้นไม้แข็งๆก็สามารถนอนหลับได้และเวลาตื่นขึ้นมาหลังจากที่ได้พักผ่อนประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบาย ก็จะลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อทันทีแต่ถ้าไปนอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆเป็นเตียงสำราญนอนแล้วมีความสุขเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกใจอยากจะขอนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงก็จะทำให้สูญเสียเวลามีค่าของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปนี่คือ การปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานของวันพระผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเบื้องต้นจะต้องรักษาศิญปก่อนรักษาศิญปะละเว้นการหาความสุขจากการเสบรูปเสียงจิ่นลดโผฏพลาชนิดต่างๆแล้วจะได้เอาเวลาที่ใช้กับการเสบรูปเสียงจิ่นลดนี้มาให้กับการเจริญสติจเจริญสติในหลายลักษณะเวลานั่งก็จเจริญสติด้วยลมดูลมหายใจเข้าออก เวลาเดินก็เวลาเดินจงกรมก็ให้ดูที่เท้าดูการย่างเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปเวลาทำภารกิจต่างๆอาบน้าล้างหน้าแปลงควันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารปาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดทำอะไรต่างๆให้มีสติอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวอย่าให้ใจเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ วันนี้เราต้องการปิดโลกใจเราไม่ต้องการที่จะไปรับรู้เรื่องของใครทั้งสิ้นใจเราต้องการเข้าข้างในเพราะว่าธรรมะอันเลื่อันประเสริฐรอเราอยู่ข้างในสมาธิก็รอเราอยู่ข้างในปัญญาก็จะรอเราอยู่ข้างในมรรคผลนิพพานอริยบุคคลขั้นต่างๆก็อยู่ข้างในใจของเราทั้งหมดเราจะไม่สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้ ในจากภายนอกจากสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกเราจะหาได้ก็คือรูปเสียงกลิ่นลดพุทธพระเท่านั้นเองหรือลาบยศสรรเสริญแต่ถ้าเราต้องการที่จะหาสมาธิหารูปปชาญารูปอรูปปชาญหาปัญญาขั้นต่างๆหาพระ อ, อริยบุคคลขั้นต่างๆหาวิมุตินิาพานการหลุดพ้นเราต้องเข้ามาหา ในภายในใจของพวกเราท่านไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในใจของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคาลวัตเหมือนกันเป็นหญิงหรือเป็นชายก็เหมือนกันเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอยู่ในใจของคนเราทุกๆคนและการที่เราจะดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในได้ก็ต้องมีสตินี่อพอเรามีสติเราก็จะดึงใจกลับเข้าข้างในได้พอเราเข้าข้างในเราก็จะเริ่มเห็นความสงบ เห็นความสุขที่เกิดจากความสงบว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะเห็นอริยสัจขึ้นมาเห็นว่าเวลาใจเราทุกนี้เกิดจากอะไรเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆแล้วเห็นเวลาที่เราใช้ปัญญาสอนใจให้ให้หยุดความอยากเพราะสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากต่างๆได้ วิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาตามลำดับการเป็นพระอริยบุคคลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นขั้นขั้นไปขั้นโสดาบันขั้นสกิทาขาขั้นอนาคาและขั้นอาหารหันต์ก็จะปรากฏตามลำดับของการใช้ปัญญาและความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปพอความอยากหมดสิ้นไปจากใจแล้ว ใจก็เหลือแต่ความว่างที่เรียกว่านิบานังประมังสุญญงพระนิพพานเป็นความว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเป็นความว่างว่างจากอะไรว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากภบชาติของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนี่แหละคือการสร้างพระในวันพระที่เราจะมาสร้างกันในวันนี้เวลาสาหรับการแสดงธรรมก็พอดี ก็ได้หมดลงแล้วตอนนี้เบื้องต้นเราก็มาเรียนรู้วิธีสร้างพระด้วยการฟังเทศฟัง่งธรรมแล้วขั้นต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประมาณเวลาสักสาสบนาทีนี้ให้เป็นเวลาของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือการเจริญสติเวลานั่งสมาธินี้เราต้องมีการเจริญสติให้มีสติอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐาน จะเป็นการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้จะเป็นการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ได้หรือถ้าใจยังไม่สามารถที่จะดูลมหรือบริกรรมพุทโธได้ใจยังคิดมากอยู่ก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ใช้การสวดมนต์เป็นอารมณ์ไปก่อนก็ได้สวดไปเรื่อยๆจนกว่าความคิดต่างๆที่มันคิดมากๆมันค่อยสงบระงับลง แล้วพอที่จะหันมาดูลมได้ก็เปลี่ยนมาดูลมแทนหรือมาใช้คำบริกรรมแทนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราไม่จาเป็นจะต้องใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันอย่างบางท่านอาจจะใช้ทั้งลมทั้งพุโทโธก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้หรือจะดูลมอย่างเดียวก็ได้หรือจะพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ข้อสำคัญก็คือเราต้องผูกใจให้อยู่กับอารมณ์นี้ไปให จนการจิตจะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาอย่าทิ้งกรรมฐานอย่าทิ้งอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจมีอะไรเข้ามาก็อย่าไปตามรู้มีเสียงเข้ามาก็อย่าไปตามเสียงมีความรู้สึกขึ้นมาตามร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ต้องไปตามกลับมาหาลมหายใจกลับมาหากรรมฐ า, านกลับมาหาพุโทโธก็ได้แล้วแต่เราจะใช้อะไรก็กลับมาหาสิ่งนั้น ต้องเกาะติดอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาพอจิตรวมสง บ, บแล้วจิตก็จะนิ่งเฉยจิตก็จะไม่มีอารมณ์กับอะไร<อ>ถึงแม้อาจจะได้สัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆจิตก็จะไม่มีการตอบโต้ไม่มีการติดตามไม่ต้องไม่มีความสนใจจิตจะสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆไปหรือถ้าบางทีถ้าจิตลงลึกๆก็อาจจะทาให้ร่างกายนี้หายไปเลย ทำให้รูปเสียงกิีนรถหายไปจากการรับรู้เหรือแต่ผู้รู้หรือว่าแต่ตัวรู้อยู่เพียงตัวเดียวนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิต่างจากการนั่งวิปัสสนาคนละเรื่องกันก่อนจะไปนั่งวิปัสสนาได้ต้องนั่งสมาธิให้เป็นก่อนเพราะเราต้องใช้สมาธิเป็นเครื่องมือในการที่จะไปนั่งวิปัสสนาอีกทีหนึง่ง ดังนั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องวิปัสสนาไม่ต้องเกิดกำนวเรื่องเกิดดับไม่ต้องกำนวลว่าเห็นนู่นเห็นนี่หรือไม่เห็นนู่นเห็นนี่ไม่สําคัญเบื้องตอนนี้เราต้องการทําใจให้ว่างให้นิ่งให้สงบก่อนด้วยการผูกใจด้วยสติให้อยู่กับกรรมฐานคือพุโทโธหรือนุ่ ล, ลมหายใจเข้าออหรือเราใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็สามารถใช้แทนกันได้บางท่านบางสํานักอาจะสอนสัมมาละหัง นั่งสำนัง่งอ่าจจะสอนให้ดูลูกแก้วเพ่งลูกแก้วเพ่งพระพุทธรูปหรืออะไรก็ตามเพ่งสีเพ่งเพ่งเสียงเพ่งแสงอะไรก็ตามก็ว่าไปตามที่เราไปเรียนมาเหมือนกันเป็นกรรมฐานเหมือนกันกรรมฐานที่จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้เหมือนกันท่านเคยใช้อะไรได้ผลดีก็ใช้อันนั้นไปก็ได้ไม่มีการห้ามแต่อย่างใดอั น, น, นี้คือวิธีการนั่งสมาธิ เป้าหมายก็คือให้ใจนิ่งให้สงบให้เกิดความสุขให้เกิดการปล่อยวางให้เกิดอุเบกขาขึ้นมานี่คือขั้นตอนแรกของการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราจะมากระทำกันอีกประมาณสักสามสิบห้าสามสิบหนาทีด้วยกันยี่สิบห้ายี่สิบหกนาที ตอนนี้เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีหรือไม่ถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันที่วันนี้ไว้เพื่อคราวหน้าเวลามานั่งใหม่ก็ใช้วิธีนี้ต่อได้เลยแต่อย่ามานั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะว่าความสงบมันไม่ได้เกิดจากความอยากแต่เกิดจากวิธีนั่งที่ถูกต้องอย่างวันนี้ ถ้านั่งเรายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรามีน้อยต้องหมั่นเจริญสติระหว่างวันให้มากขึ้นเริ่มตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ดูลมไปพุทโธไปดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเลอะเปื่อยแล้วเดี๋ยวเวลามานั่งสมาธิใหม่จิตก็จะสงบได้ได้ง่ายขึ้นและต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางุปกะปะเตยุชิตังปะทิตังตุมหังคิตเมวะสมมิจตุสัเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาราสุยะถามณีจติ ระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาายสุขีทิายยโกภวาอภิวาทนสีลุสานิจังวทาปจายโนจตารโธรรมวทันเอายุวันสุขัง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 วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กระาบเรียนครับผ้อาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง a c e b o o k ผูอาจารย์สุชาติ253ท่านทาง YouTube ้อาจารย์สุชาติ313ท่านทาง y o u t u ดรวี5 5ท่านทางวิทยุออนไลน์7ท่านทาง c l ับเ o u s e 4ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ หนึ่งร้อยสามสิบสามท่านรวมทั้งหมดเจ็ด้อยหกสิบห้าท่านครับถามได้เลยอดี๋ยวประกาศครับนัสการพระอาจารย์ขออนุญาตกลับเรียนถามครับพอดีว่าผมเป็นตำรวจแล้วมีคนเชิญไปไปประกอบปรชีพเป็นครูฝึกสอนใช้อาวุธครับพระอาจารย์เป็นเป็นอาวุธ แต่ไม่ใช่อาวุธปืนฆ่าคนแต่ก็ยังทำมันอันตรายอยู่ครับผมเลยอยากกราบเรียนถามว่าการประกอบอาชีพแบบนี้การเป็นครูฝึกสอนคนแช้อาวุธแบบนี้เป็นถือเป็นอาชีพสุจริตไหมครับแล้วจะขวางการภาวนาหรือเปล่าครับถ้าเป็นอาชีพที่ไม่สุจริตครับก็มัน ก, มนก็มันก็ไม่ได้เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะเราไม่ได้ไปทําร้ายใครการฝึกฝนวิชาป้องกันตัวเราเองมันก็เป็น เป็นสิ่งที่จาเป็นในที่เราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายของเราให้อยู่รอดไปในแต่ละวันและการใช้อาวุธก็ไม่ใช่นะครับว่าเราจะต้องไปถึงกับฆ่าเขาก็ได้อาจจะเป็นการป้องกันตัวเราหรือรงับไม่ให้เขามาทำร้ายเราอันนี้ก็มันก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไหนนอกจากว่าถ้าเราเอาวุฒนี้ไปทำทำประกอบการทุจริตเช่น ไปปุ้นธนาคารปุ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่การที่เราฝึกฝนรบรมเพื่อใช้อาวุธป้องกันชีวิตของเรานี้มันก็เป็นธรรมชาติของคนทุกคนที่เกิดมาก็ต้องป้องกันตัวของตนเองดังนั้นมันก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไหนก็ทาได้ทำได้แต่จะฝึกฝนสอนใครก็ทำได้ แต่ถ้าถ้าไม่ไ ม, ไ ม, ไ, มไม่ไม่มั่นใจถ้ากังวลว่ามันจะเป็นปัญหากับทางด้านจิตใจก็ออก็เปลี่ยนอาชีพอื่นไปมาบวนก็ได้ครับ อ, บ อ, บอาชีพอื่นให้เลือกได้เยอะแยะครับขอขอบคุณพระอาจารย์ครับโอเคนะ อย่างกรณีแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ถ้าเกิดเราป้องกันตัวเราพลาดไปทําให้คนอื่นเสียชีวิตอย่างนี้ค่ะบาปบาปไหมคะพระอาจารย์น้อยไม่ได้บาปมากเหมือนกับมีเจตนาชใช่ไหมทางกฎหมายก็มี ม, ม, มีโทษหนักเบาต่างกันใช่ไห ม, มเวลาทาให้ผู้อื่นตายตายด้วยเจตนาหรือตายด้วยด้วยเหตุการณ์บังคับอะไรทำเงินงนี้มันก็มีโทษหนักเบาต่างกันมันก็มีโทษบ้าง แต่มันไม่หนักเหมือนกับมีความอาฆาตยาาทยยบาตรจองเวรจองกรรมกันในทํารองเ น, นาะได้ขอนขอนุญาตพระพาเจห์ครับถ้าสมมติว่าทําแล้ว ร, รู้สึกไม่สบายใจครับจะรักษาจิตยัยงไงดีครับก็ถ้างานที่เราทำํำไม่สบายใจเราก็อย่าไปทำเลยงานอื่นมีเยอะแยะได้ครับตอนที่เราเลือกเราจะไม่ได้สนใจเรื่องศีลและธรรม แต่พอตอนนี้เราเริ่มศึกษาศีลธรรมแล้วเราเห็นว่าอ๋องานที่เราทํานี่มันก็ไม่ดีนะเราก็เปลี่ยนงานได้ครับครับพระคุณค่ะครับงานที่ดีที่สุดก็คือบวชนี่แหละสามารถเชิดที่วิเศษที่สุดก็คือการบวชครับพอาจารย์ครับขอบคุณครับพี่ค่ะพระอาจารย์มีคําถามจากผู้รับฟังธรรมหน้ากุฏิถามเข้ามาว่า กินที่เรายังมีโกรธมีโมหะโทสะเป็นเพราะกําลังสติกําลังสมาธิอ่อนใช่ไหมคะถูกต้องรู้ว่าเป็นกิเลสแต่ยังหยุดมันไม่ได้รู้ว่าโกรธแต่ยังห้ามมันไม่ได้เพราะเราไม่มีโอเบคาถ้าเราเข้าสมาธิได้เราจะหยุดจิตได้หยุดความโกรธได้แล้วเราต้องฝึกสมาธิให้มากมาก่อนก่อนที่จะไปใช้ปัญญาหยุดกิเลสอีกทีนึ่งสหายจัก นาุติเจค่ะพระโสดาบันยังมีโกรธอยู่ใช่ไหมคะรอให้ถึงเวลาก่อนนะเราจะรู้เองตอนนี้พยายามห้ามห้ามไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ค่ะเจค่ะคำถามต่อไปจากเฟ e บุ o k เจ้าค่ะจากคุณธนาโดนถามเข้ามาว่ากำลังปัญญากับกำลังสมาธิอันไหนสำคัญกว่ากันครับคือสมาธิ ก็สำคัญปัญญาก็สําคัญในการที่จะกําจัดกิเลสนี้ต้องมีทั้งปัญญาทั้งสมาธิเหมือนเราแขนขวาแขนซ้ายมือซ้ายกับมือขวาสําคัญอันไหนสําคัญก่ากันเวลาใช้มันก็ต้องใช้ทั้งสองอันคู่กันถ้ามีมือเดียวมันก็ลําบากใช้ไม่ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรยังไก็มีความสําคัญเท่าๆกันละต้องมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาถึงจะสามารถกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ ใต่อไปจาก YouTube เจ้าค่ะกราับนมัสการค่ะมีคนบอกว่าถ้าเราดูจิตไม่จำเป็นต้องทำสมาธิถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องหรอคนที่ดูจิตได้ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะดูจิตได้จาก YouTube พระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งฟังในทศัพษ์นั่งกอดอกฟังได้ไหมคะขอความเมตตาพระอาจารย์ตอบให้ด้วยเจ้าค่ะ ก็แล้วแต่เรา่เราควรจะนั่งในท่าไหนการฟังธรรมนี้เป็นการเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเป็นความรู้อันประเสริฐผู้ฟังก็ควรที่จะให้ความเคารพในธรรมที่เราฟังเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ต้องคำนึงถึงความเคารพไว้ด้วยสักาจาก u ูทูปพระอาจารย์ค่ะกรับานสัสกานพระอาจารย์ขอโอกาสครับ การได้เห็นสมณะเป็นมนคลอย่างสูงจําเป็นต้องเห็นใกล้ชิดขนาดไหนจึงได้เป็นบุญมากๆครับเห็นแบบได้ยินได้ฟังธรรมไม่ใช่เห็นเฉยๆเห็นพระพุทธเจ้าไหวทีแล้วก็ผ่านไปก็ไม่ได้ประโยชน์ท่าไรแต่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินตามไปขอฟังเทศน์ฟังธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาให้ให้เห็นแบบนั้นเห็นสมณะเพื่อที่เข้าหา เพจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามเพื่อจะได้บรรลุธรรมค่ะจาก youtube พระอาจารย์ค่ะกราบอารัธนาค่ะเป็นผู้พิพากษาแล้วสั่งลงโทษคนติดคุกหรือถึงตายเป็นบาปถึงชาติอื่นไหมคะก็เป็นบาปอยู่เพราะตามหลักของการทําบาปจะทําเองก็ดีหรือสั่งให้ผู้น่นกระทาก็ดีก็ถือว่าบาปเหมือนกันการที่มแมลง เช่นมาแรงวิยุงทำให้พระชานรำคาญมันสบาบมากไหมครับไม่บาปแล้วมันเป็นธรรมชาติของมันมันก็หากินหาอยู่ของมันไปเราอย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกันจากคุณเจษดาค่ะมีคำถามจากคุณพัทฝากถามจากมาทางคุณเจษดาโค้ชขอเมตตาหลวงพ่อมีคำถามจาก ทำการทำงานสัมมาอาชีวะประจำวันจะ ว, วานใจอย่างไรไม่ให้เพ่งความผิดพลาดในทีมงานที่บางครั้งทำผิดซ้ำๆจิตโยมก็เข้าใจว่าเป็นอกุศลจิตแต่ก็เผลอบ้างทันบ้างขอเมตตาหลวงพ่อชี้แนวทางก็ปฏิบัติ ด, ด้วยเจ้าค่ะก็อย่าไปโกรธเขาเวลาเขาทำอะไรผิดพลาด ให้มองว่าเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมดาที่จะต้องมีการผิดพลาดบ้างถ้ามีผิดพลาดบ่อยๆก็ต้องเอามาอบรมใหม่เอามาสั่งสอนใหม่มาพัฒนากันใหม่ถ้าอบรมสั่งสอนแล้วยังพัฒนาไม่ได้ก็อาจจะต้องขอให้เขาไปทำที่อยู่แทนอย่างแบบนี้บาไปไหมคะอย่างเช่นเราเชิญลูกน้องไม่บาเพราะเขาไม่มีสมรรถภาพที่จะทางานที่เราต้องการให้เขาทาได้ เขารับเงินเดือนจากเราเพราะเขามีสมรรถภาพนี้สมรรถภาพของเขาเสื่อมไม่สามารถทํางานที่เขาควรจะทําได้เขาก็ต้องพิจารณาตัวเขาเองแต่ถ้าเกิดเขาโกรธเราอะไรอย่างนี้เจ้ค่ะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราทําด้วยเหตุด้วยผลเราไม่ได้ทําด้วยอารมณ์ทําด้วยความความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่าเกิดมาในโลกนี้บางทีเราก็ห้ามพูดไม่ให้เขามาเกลียดชังเราไม่ได้ เจ้าค่ะจากยุทูจากเ c e b o o k เจ้าคะ่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะสอบถามว่าโยมทำงานอยู่บริษัทยาแผนปัจจุบันขายยาน้าให้ลูกค้าแต่ทีนี้ลูกค้าไปใช้ผิดประเภทโยมจะมีส่วนบาปนั้นด้วยไหมเจ้าคะ่ะถ้าเขารู้ก่อนว่าต้องใช้ยาประเภทนี้อย่างไรแล้วถ้าเข้าไปทาไปใช้ผิดประเภทนั้ น, นก็เป็นความผิดของเขาเอง แต่เราคนขายก็ต้องบอกเขาก่อนว่าห้ามาไปทำอย่างนั้นห้ามาไปทำอย่างนี้นะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเขารับทราบแล้วแล้วเขาไปทำอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความผิดของเรานนแต่ถ้าเราปกปิดวไม่ควรจะทำอย่างนั้นไม่ควรจะทำอย่างนี้แต่ไม่บอกเขาอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะมีส่วนของการทำบาปได้เป็นการโกหกเขาได้หลอกลวงเขาได้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเช้าค่คะ อมีคําถามํารองไว้วันนี้มาแล้วอขอกลับเรียนพระอาจารย์หน่อยนะครับสมมุติว่ามีคนมาชี้หน้าด่าเราหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่มีโลกภายในเกิดขึ้นคืออสร้างตัวตนขึ้นมารับคําด่าคําำต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าก็จะไม่เกิดทีนี้ไอ การสร้างตัวตนขึ้นมานี่เราเรียกว่าสักยะทิฏฐิหรอาหลวงพ่อครับอันนี้เป็นโมหะความหลงมันไม่ใช่สักยะทิฏฐิครับมีตัวตนขึ้นมาที่สักยะทิฏฐิมันต้องเวลาเราเปร่างกายเราเจ็บแล้วเราไปเจ็บกับมันนี่ถือเป็นสักยะทิฏฐิร่างกายเป็นอะไรแล้วเราไปเดือดร้อนกับมันนี่ถือเป็นสักยะทิฏฐิอันนี้เป็นมานะมากกว่าอืการถือตัวถือันนี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงกว่านั้น สูงกว่าสั ก, กายะทิฐิละเอียดก่อยต้องเป็นผ้าหลามถึงจะละมานะได้แต่โสดาบันนี่รากสั ก, กายทิฐิทีนี้มันคนเรามักจะไปสร้างโลกภายในขึ้นมาแล้วก็มารับคำด่านั้นมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปเนี่ยออแล้วเราจะดับยังไงหลวงพ่อนี่็ก็ให้ฝึกสตินั่งสมาธิและวทำใจให้เฉยๆไปให้เป็นผู้รู้ไปอย่าเป็นอย่าเป็นตัวตน ให้เป็นแต่ธรรมชาติที่รู้ใครใครชมใครว่าก็รู้ว่าเขาชมเขาว่าไปตัวนี้ก็สักแต่รู้สักแต่เห็นนี่ใช่ไหมครับถูกต้องอ๋อขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีตัวตนอเอาตัวรู้ออกมารับแทนที่เอาตัวตนออกมารับจากคุณหญิงทางเฟซบุ๊กเจ้าหากระดาบนมษัทการเจ้าหา ทานยาถ่ายพยาธปบาบใหม่เจ้าคะ่ะมีอาการป่วยเลยต้องทานยาถ่ายพยาธ เ, เจ้าค่ะไม่บาปหรือพยาธไม่มีดวงวิญญาณหรือมีก็ไม่รู้ไม่น่าจะมีนะเขากาะถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าคะ่ะเอาการวางจิตสําหรับนักภาวนาก่อนที่ในขณนะที่กําลังจะจะตายอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะเอควรจะวางจิตไว้ที่ ที่ลมหายใจที่ลมหายใจไม่ใช่บุญไม่ใช่ระลึกถึงบุญต่างๆไม่ต้องใช่ไหมเจ้าค่ะดีกว่าลมหายใจไปทำใจให้เฉยๆไปเจ้าค่ะอย่างกรณีที่ใกล้ตายแล้วแล้วเราจับลมหายใจไม่ได้จะจับรูปพระพุทธรูปได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอจารจัอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งให้ใจเฉยให้ใจสงบไปเจ้าค่ะจับพระพุทโธก็ได้แล้วระลึกถึงพุทโธพุทโธก็ได้ ้คกับเรียนถามใบจาย์ค่ะหนูนั่งสมาธิแล้วเออ่จิตมันก็นิ่งอยู่นะคะมีความรู้สึกว่ามันสบายแต่นี้ว่าหนูคิดว่ามันทําให้หนูไม่พัฒนาขึ้นไหมเพราะว่าหรือว่าหนูทําถูกต้องแล้วคะยังเรายังอยู่ขั้นตอนของการฝึกสมาธิไปก่อนยังไม่ยังไม่ชํานาญเราต้องทําบ่อยๆทํามากๆก่อน ให้เราชมาในสมาธิก่อนแล้วเราค่อยไปขั้นปัญญาอ๋อในที่ตอนที่ว่าเราเราสบายนี่เราก็แค่รับรู้ว่าเออเรามีความสบายใจสบายกายอย่างนี้หรอคะพยายามให้มันสบายไปทั้งวันให้ได้ก่อนพยายามไหมไม่เดือดร้อนไม่อะไรกับใครใครจะเป็นยังไงเรื่องของเขาเราสบายใจของเราไปเรื่องก่อนด้วยการนั่งสมาธิใ้การทำใจให้เฉยๆก่อน เราทําใจของเราให้เฉยได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วขั้นต่อไปเราก็มาถอนใจให้ใช้ปัญญาเวลาที่ใจไปสัมผัสอะไรแล้วใจไม่เฉยใจดิ้นโลนใจโกรธขึ้นมาก็ใช้ปัญญามาะระงับมันมพิจารณาสิ่งที่เราโกรธว่าเป็นตายรักไม่มีตัวตนถ้าเราไปโกรตต้นไม้ไหยต้นไม้มีตัวตนหรือเปล่าไม่มีมมเราก็จะไม่โกรธใช่ไหม โกรธลูกกับสามีเนี่ยค่ะมีตัวตนใช่ไหมค่ะเ <c oughs> พราะเราไม่เห็นว่าเขาไม่มีตัวตนไงความจริงเขาไม่มีตัวตนเก็ เ, เป็นเหมือนต้นไม้แต่เราไปเห็นว่าเขามีตัวตนเป็นลูกเป็นสามีขึ้นมาเราก็ต้องมาใช้ปัญญาพิจารณามองให้เห็นเขาว่าเขาไม่มีตัวตนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเราจะได้ไม่โกรธเขาหรือเป็นเพราะว่าเราโกรธเขาเนี่ยเพราะเราเรายังมีความยึดติดหรื อ, รอว่าว่าเขาเป็นของของเราใช่ถูกต้อง ความจริงเขาไม่ใช่เป็นของเราเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทาไปตามความอยากความต้องการของเขาเราก็ควรจะยังไงคะอาจารย์ า, <ร>ามองเหมือตนต้นไม้ไปมองเหมือนดินฟ้าอากาศไปไม่มีตัวตนเหมือนตกแดดออกนี่เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้คนก็เหมือนกันคนก็เหมือนดินฟ้าอากาศเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อ๋อเจ้าค่ะท่า น, นั้นขั้นปัญญาถ้าจะพัฒนาต้องพัฒนาต่อด้วยปัญญาแต่เบื้องต้นถ้าสมาธิเรายังไม่ชํนานาญฝึกสมาธิไปเรื่อยๆก่อนตโนก็ประมาณเวลานั่งสมาธิก็ประมาณสักยี่สิบนาทีขึ้นไปค่ะถึงรู้สึกว่าปล่อยวางได้แล้วก็แล้วก็สบายลองไปตองเอาสักห้านาทีก่อนให้มันเข้าเข้าไปห้านาทีก็ปล่อยวางได้เลงให้มันชํานาญมากขึ้นเร็วขึ้น อีก ค, คำถามหนึ่งค่ะสมัยนึงอ่ะพี่ชายหนูว่ะเป็นมะเร็งแล้วแล้วแล้วเขาก็จะก็จะเสียชีวิตนะคะแล้วมันเป็นช่วงที่ว่าหมอเขาก็ให้ญาติตัดสินใจว่าต้องฉีดมอร์ฟีนแล้วเพราะว่าเขาจะต้องทรมานแต่ตัวเขาอ่ะก็ก็ไม่อยากจะฉีด แต่หนูก็มองว่าระหว่างที่เขานอนอยู่บนเตียงอ ะ, อะเขาร้องโอดโอยอย่างเงี้ยหนูก็เลยตัดสินใจเพราะหนูเป็นน้องสาวเงี้ยหนูก็เลยตัดสินใจว่าให้มอร์ฟีนเถอคะค่ะเพื่อให้เขาหลับไปเลยเงี้ยหนูบาปไหมคะถ้ามันมอร์ฟีนมันมีขนาดเนี่ยขนาดที่ไม่ให้มันหลับก็ได้คือคือคือมอร์ฟีนตัวเนี้หมอเขาต้องให้เพื่อให้เขาอ่ะหลับไปเลยเพราะว่ามันรักษาไม่ได้แล้วมเะเร็งคะถ้งงี้ก็บาปถ้าทําให้เขาตายไปเลยนี่ก็บาปหนูบาปเนี้ค่ะแล้วหนูจะแก้กรรมยังไงอะคะ เร แ, แก้ไม่ได้แล้วมันทําไปแล้วเนี่ยต่อไปเราอาจจะถูกเขาลูกเราใช้มอร์ฟินให้เราแต่ตอนนั้นจิตด้วยจิตหนูหนูไม่ได้คิดว่าคืออยากให้เขาไปแต่หนูมีความรู้สึกว่าไม่ใหญ่เขาทรมานกลัวว่าช่วงที่เขาทรมานน่ะเขาอาจจะเขาต้องตายอยู่แล้วแล้วเขาก็อาจจะไปในสิ่งไปอับอายพูมิอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นหไม่ได้ไปอายพูมิจะไปหรือไม่ไปไม่ได้อยู่ที่ ต, ตอนที่เราตาย อยู่ที่บุญหรือบาปที่เราได้ทํำมาไว้ถ้าบาปมากกว่า บ, บุญก็พลไปอบายถ้าบุญมากกว่า บ, บาปก็ไปสวรรค์เจ้าค่ะครั้งที่เจตนาของหนูคือเราไม่อยากให้เขาเจ็บปวดทรมานเราถึงให้ว่าให้หมอให้มอร์ฟินให้เขาหลับไปได้เลยนี<ก>่เราก็ายังบาปเหรอค ะ, อะเพราะอยากยังอยากให้เขาตายอยู่อแต่ไม่อยากให้เขาตายให้ขนาดเครึ่งเดียวไม่ได้เลยให้เข้าบรรเทาอาการปวดคือหมอเขาก็บอกไว้แล้วคะ่ะว่า ยังไงเขาต้องให้โมฟีนนะเพราะว่าเพราะว่าช่วงที่ว่าเขาเขาจะต้องตายเนี่ยมันจะปวดมากเลยค่ะท้องพอเหมือนเขาเป็นมะเร็งตับอะ่ะเหมือนกับว่าเนื้อมันจะแตกพอแตกแล้วเนี่ยมันจะคือจะร้องโอดโอยเหมือนเหมือนเหมือนวัวควายอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อันนี้ต้องอยู่ที่ตัวเขาดีกว่าให้เขาตัดสินใจเ อ, เองเขาจะเอาไหมอ๋อตอนนั้นเขาก็ เขาก็คงยังไม่อยากตายมากเพราะเขาก็ลุกขึ้นมานั่งเพื่อฝืนตัวเองแต่แต่เขาไม่ไหวแล้วเขาก็โอ้ยโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจะฝึกจิตแคาให้รับบความเจ็บปวดก็ได้อาจจะให้ปล่อยวางร่างกายก็ได้ถ้าเราเจอญาติเราอย่างนี้เราก็ควรให้เขาใช่ตัดสินใจไปด้วยตัวเองหรอไปตัดสินใจเขาเองเขาอยากจะฉีดไม่ฉีดนี่เป็นเรื่องของเขาแต่ทางด้านการแพทย์ก็บอกกับว่าญาติต้องตัดสินใจแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกว่าเราก็บอกว่าให้คนไข้ตัดสินใจเองก็แล้วกันเพราะไม่ใช่ชีวิตของเรา เราเป็นชาวพุทธเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดชีวิตของคนอื่นได้ตัดสินใจเรื่องชีวิตของคนอื่นได้มันเป็นการกระทำบาปแต่บาปนี้หนูก็ไม่สามารถแก้ไขได้ใช่ไหมคะก็ไม่มันผ่านไปแล้วไม่แก้ไม่ได้นะนอกจากบาปใหม่แก้ได้อย่าไปทำกับคนอื่นต่อก็แล้เจ้าหาตาฝากโอเค อย่างกรณีแบบนี้ถ้าเกิดเราทำบุญบ่อยๆทีทีแบบนี้ค่ะจะกำลังบุญจะหนีกำลังบาปได้ไหมคะเจ้าพระอาจารย์ได้ถ้าบุญมากกับาบาปใจก็สงบใจก็ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์เจ้าค่ะทู่ทุกข์เพราะบาปมันมากกว่าบุญที่วุ่นวายเพราะบาปมันมากกว่าบุญสจาค่ะจากยูพระอาจารย์เจ้าค่ะผมสอบสัมภาษณ์ได้รับเลือกจากคณะสงฆ์ ให้ผ่านเข้ารับการบวชในโครงการของรัฐแห่งหนึ่งซึ่งมีการให้ไปบวชที่ใต้ต้นมาศีมหาโพธิอินเดียและนมัสการสังเวียนยสถานแต่หลังจากประกาศรายชื่อเป็นทางการแล้วเจา้าหน้าที่โครงการรัฐนั้นได้ตัดรายชื่อผมออกโดยอ้างว่าผมมีโรคไขมันในเลือดสูงตามใบสมัครเพราะปีที่แล้วมีคนน้ำหนัก ตัวเยอะเหมือนผมที่บวชในโครงการคล้ายๆกันได้ไปเสียชีวิตอยู่ที่อินเดียไม่อยากให้โครงการมีปัญหาจึงเลือดตัดรายชื่อผมออก 1. กราบขอวิธีใช้เมตตาในการระงับโทสาจริตที่เกิดขึ้นกับผมให้ดับสนิทด้วยครับผมพยายามมาหลายวันแล้วผมยังวางใจให้อภัยและเอาหัวกรรมแก่เจ้าหน้าที่ของโครงการนี้ไม่ได้จริงๆไม่อยากต้องมาใช้กรรมกับเขาในชาติถัดไปครับ ก็คิดว่าเขาทำตามหน้าที่ของเขาทำตามกฎกติกาเวลาใครเขาจะบวชเขาก็ต้องเลือกคนที่มาบวชแล้วไม่มีปัญหางั้นเราไม่มีคุณสมบัติที่เขาจะรับได้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราขาดคุณสมบัติคือเราอาจจะมีภาวะเสี่ยงเขาก็ไม่อยากที่จะรับเราเข้ามาอันนี้ก็เราต้องโทษตัวเราเองว่าเราไม่มีคุณสมบัติตามที่เขากาหนดเอาไว้ เขาก็เลยบวชให้เราไม่ได้เราอย่าไปโทษเขาโทษตัวเราเองถ้าเราอยากจะบวชใหม่ก็ไปลดความอ้วนใหม่เจ้ค่ะจาก YouTube พระอาจารย์การที่มนุษย์มีความรู้มีความคิดและทำแล้วให้ลำคาญจะต่างกับแมลงไหมครับไม่ใช่ประมาณว่ามนุษย์ทำความลำคาญให้เรา ต่างกับมแมลงไหมครับเหมือนจิตจิตของมนุษย์กับจิตของมแมลงประมาณนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ก็อยู่ที่ระดับสติปัญญาของแต่ละดวงไนงะถ้ามีสติปัญญาสูงก็จะไม่ไปทําความวุ่นวายให้กับใครถ้ามีสติปัญญาต่ําก็มักจะทําอะไรให้เสียหายเดือดร้อนกับผู้พวกที่มีปัญญาต่ำเขาก็เรียกพวกเดรัจฉานนี่พวกที่มีปัญญาสูงก็เป็นพวกมนุษย์มนุษย์จะไม่ไปก่อโวนสร้างความําคาญให้แก่ผู้ วกับนามัสการเจ้าค่ะขออนุญาตถามเจ้าค่ะคือคุณแม่เป็นมะเร็งเช่นกันเจ้าค่ะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วในขณะที่อยู่ ICU เจ้าค่ะก็คือคุณหม อ, อมีให้มอร์ฟีนเหมือนกันเจ้าค่ะแต่คุณหมอมีบอกว่าให้ไปเพื่อระงับความเจ็บปวดไม่ได้ทำให้คุณแม่เสียชีวิต ก็เลยอตัวเองเป็นลูกสาวคนเดียวเจ้าค่ะก็เลยตอนนั้นก็เลยเหมือนตัดสินใจตามที่คุณหมอบอกเจ้าค่ะเลยไม่แน่ใจว่าอันนี้ถือว่าจะเป็นบาปไหมเจ้าค่ะไม่บาปแหละเพราะเป็นการรักษาเจ้าค่ะไม่เหมือนยาแก้ปวดเวลาาปวดศีรษะแล้ว ก, วก็กินยาแก้ปวดศีรษะ้าไปปวดท้องก็กินยาแก้ปวดท้องเจ้าค่ะถ้าไม่ตายก็ไม่บาปเออ ก็คือให้ให้ให้ไปตอนวาระสุดท้ายเจ้าค่ะคุณหมอบอกว่าให้ให้ระงับปวดแล้วก็ให้แต่ว่าไม่ได้ทําให้ตายแล้วก็ปล่อยเหมือนยุติการรักษาทุกอย่างจนคุณแม่สิ้นลมไปเองนะเจ้าค่ะไม่บาดไม่บดเจ้าค่ะแต่อย่าไปทําให้ตายเจ้าค่ะคุณหมอยําคุณหมอมีพูดว่าไม่ได้ที่ระงับปวดเฉยๆตอนนั้นหนูก็เลยยินยอมเพอะคุณหมอพูดทํานี้เจ้าค่ะใช่ถูกต้องไม่เป็นไรเจ้าค่ะ นอนกลงวันเจ้าค่ะจากคุณปั้นแป้งเจ้าค่ะกราบนรัสการเจ้าค่ะเวลานอนจะดูลมไปตลอดจนหลับจะฝันบ่อยบางครั้งเหมือนจะเห็นความคิดปรุงความคิดทั้งที่ยังหลับอยู่ควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะย้วเวลาหลับก็ทําอะไรไม่ได้เขให้รู้เฉยๆไปแสดงว่าจิตเราไม่สงบ <c oughs> เวลาตื่นขึ้นมาก็พยายามฝึกสติให้มากๆขึ้นให้คิดน้อยลงไปแล้วต่อไปเวลาหลับก็จะได้ไม่คิดยังมีคำถามเลยคระอาจารย์เจ้าค่ะถามต่อเนื่องนะค ะ, อ, ะอย่างที่ว่าเรารักษาขั้นสุดท้ายแล้วอย่างเนี้ยแล้วเราอยู่ภายใต้ยาที่ให้เนี่ยคะ่ะแล้วจิตของผู้ตายที่เข้าไปเนี่ยเขาจะไปยังไงคะสมมติเขาดูลมไว้ก่อนนะคะรู้จักดูดมแล้วแล้วก็ มีการรักษาทรีตเมนต์โดยการให้ยาต่างๆอะไรก็ได้ค่ะแล้วคนไข้ก็มันก็ไปเลยเวลาจะไปนี่มันอยู่ที่บุญที่บาปที่เราได้ทําไว้ก่อนก่อนแล้วไม่ได้อยู่ที่ตอนที่เราตายไม่ใช่ตอนนอั้นตอนที่เราตานี้โดยใหญ่มันจะเป็นผลที่เกิดจากบุญหรือบาปที่เราได้สะสมมาไว้อืถ้าเราสะสมบุญไว้มากเราจะมักจะไปอย่างสงบอื ถ้าสะสมบาปมากกว่าบุญก็มักจะไปแบบไม่สงบ ก, ก็ถึงได้ที่มีคําถามว่าถ้าเผื่อว่ามันมีอาการเจ็บปวดมากๆอะ่ะจิตเขาก็ไม่สงบอย่างเงี้ค่ะเขาจะไปไหนยังไงที่ที่คำถามก่อนหน้าเดียค่ะก็อยู่ที่ว่าเขาได้ฝึกจิตม า, ม า, มากน้อยไง<อ>ถ้าฝึกจิตได้มากก็สงบ ก, ก็จะต้องสงบต้องสงบเองโดนน้อยมันก็ไม่สงบแต่ถ้าตามรดที่คนไข้จิตสงบเขาก็ต้องไปดีแน่นอนซึ่งแม้จะโดนยาหรือไม่โดนยา ไม่ไม่เกี่ยวตเกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับอนมันอยู่ที่บุญที่บาปได้สะสมไว้ในใจว่าอันไหนมากกว่ากันอซึ่งจะไปตัดสินกันตอนนั้นอไม่ต้องกังวลมาเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนตอนปลายชีวิตไปแล้วตอนปลายตอนนั้นไม่ทันไม่ทันแล้วต้องทําตอนนี้จะไปเปลี่ยนบนเตียงนอนถ้าคิดว่าบุญนอนทั้งนี้มีน้อยกว่าบาปก็ก็ทำบุญให้มากขึ้นไปแล้วบุญจะมีกําลังมากที่จะดึงเราไปสุขติได้ไปสว่างได้ อยู่ที่กำลังบุญกาลังบาปที่เขาจะดึงเราไปเองไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราแต่ช่วงตายนี้มันอยู่ที่สติกำลังสติซึ่งถ้าเราไม่ได้ฝึกมามันก็อาจจะทำให้เราวุ่นวายไม่สงบถ้าเราฝึกสติมาเราก็จะสงบแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาป ท, ที่เราสะสมไว้ อ, อีกตัวหนึ่งพอเราตัวกันอคือก็สงบและสติก็จะดีเองถ้าสงบก็จะไม่ทรมานจะไม่ทรมาน ถ้าเวลาตายไปถ้าบาปมากกับบุญบาปก็ยังดึงไปอบาได้อยู่ถ้าบุญมากกับบาบุญก็จะหนึงไปสวรรค์นี้แล้วเราจะตัดสินได้ไหมคะอย่างคนที่เขาทุรนทุรายทรมานเนี่ยเขาทําบุญมากกวบาบาหรือบาปมากกว่าบุญก็ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ได้กฏแหงกรรมเขาตัดสินให้เรามเองเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปยุ่งคือเราไม่สามารถจะมาดัชได้ว่าเนี่ยนะคนนี้เจ็บปวดทรมานมากเพราะฉะนั้นไปไม่ดีแน่นอนนัต้องมียานอย่างทราบเท่นั้นเองจะรู้ว่าเขาไปอย่างไะ ไปสูงเมื่อไปต่ําอ่ำเพราะฉะนั้นคนก็จะพูดกันเรื่อยเลยโอ้ถ้าไปสงบสงบก็คือไปดีถ้าทุรนทุลายเจ็บปวดก็ไปไม่ดีพูง่ายแต่ทำยากแต่ง่ายก็เรามานั่งสมาธิใมันเจ็บปวดดูเลยแล้วเราทำให้มันสงบให้ได้ทำใจให้สงบกับให้อยู่กับความเจ็บปวดให้ได้ถ้าเราฝึกได้เวลาตายเราก็จะรู้ว่าเราเราจะตายอย่างสงบอันนี้มันอาจจะไม่เกี่ยวกับบุญกับบาปที่เราทําไว้ต่างหากเพราละเรื่องกัน แสดงว่ามันเป็นทางกายการเจ็บปวดการอะไรพวกนี้มันก็คือทางกายแต่บุญกบายนี่เหมือนกับทางจิตที่ส่งสติก็อยู่ทางจิตด้วยคถ้ามีสตินี้ก็ทําจิตให้นิ่งจิตก็จะไม่เครียดไม่ไม่ทุกข์ถ้าไม่มีสติจิตก็จะกวนกวาดกระสับกระ่ายไปเรื่งมันไม่เกี่ยวกับบุญกบารที่เราทํำมันเรื่องมันอีกระดับหนึ่งระดับของสติอันนี้สาม มีบุญมีบาปแล้วก็ระดับภาวนาสตินี่อยู่ในระดับภาวนาภาวนานี่มีไว้เพื่อควบคุมจิตไม่ให้ไปเกิดไม่ให้ให้ให้มันสงบมาให้ไปเกิ ด, กดแต่เรื่องบุญกับบาปนี้มันจะส่งให้เราไปสูงหรือไปต่ํามันคนละเรื่องกันแล้วอาจจะมีสติควบคุมใจให้สงบแต่ว่าเราทําบาปไปเยอะใช่นะลงคนี้ <ไป S 1> มาฆ <ไป S 1> ่าคนมาเยอะ อ, อย่างเงี้ยมากกว่าทําบุญเนี้ย ตายไปบ่าวก็ยันดวงใจตายส่งไปเพราะคนชอบจะเข้าใจกันดูไม่ทราบวัตถิกหรือเปล่าใช่ติดสุดท้ายทำให้สงบแล้วก็จะจะไปดีจะสงบก็ไปดีถ้าไม่สงบง้ก็ฆ่าคนให้มันเยอะๆไปก่อนนะตอนจะตายค่อยมาทำจิตให้สดีโอเคขาตื สจ้า ะ, ะมีคนถามเกี่ยวกับมอร์ฟีนอีกค่ะพระอาจารย์กับเรียนพระอาจารย์กรณีที่รักษาไม่ได้แล้วถ้ามีสติอยู่ตัดสินเองให้มอร์ฟีนจะเป็นการฆ่าตัวเองไหมคะถ้าให้ตายมันก็ฆ่าตัวเองถ้าให้มอร์ฟีนไม่ทะเลาะง้อความกวดก็ไม่ไม่เป็นการฆ่าตัวตายสำถามสุดท้ายนะวันนี้ <c oughs> เวลาบวชพระหรืองานศพมีดนตรีมีลิเกเครื่องเสียงดังๆในบริเวณวัดจะมีผลกระทบต่อพระสงฆ์ในวัดหรือไม่คะมีแน่นอนแต่สมัยนี้พระสงฆ์ท่านก็ไม่ค่อยสนใจถ้าท่านสนใจความสงบท่านก็จะไปอยู่วัดป่าวัดเขาไนแต่ถ้าท่านอยู่วัดที่มีบันเทิงก็แสดงว่าท่านก็ชอบบันเทิงอยู่อันน้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลก็แล้วกัน การบวชที่แท้จริงต้องบวชเพื่อความสงบแต่สมัยนี้บางคนเข้ามาบวชเพื่อด้วยเหตุอย่างอื่นหนีหนี้บ้างหนีภรรยาบ้างหนีสามีบ้างหนีปัญหาต่างๆบ้างเขาก็ไม่สนใจกับบรรยากาศที่อยู่ในวัดเขาก็บางทีอาจจะชอบจะด้วยซ้ําไบมีบันเทิงได้ดูหนังกลางแปลงอะไรหมดแล้วยังขออีกคำถามค่ะค่ะประจำว่าคุณทีคัทนา คำถามการรู้ทันความคิดบ่อยๆทั้งถูกใจและไม่ถูกใจรู้เท่าทันอารมณ์ทําให้จิตมีสติเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นจิตจึงเบาสบายมากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ่ะน้อมกับในความเมตตายอย่างสูงขอให้พระจารย์มีธาตุขันแข็งแรงเจ้าคะ่ะคือความจริงว่าน่ามีสติถึงจะรู้เท่าทันได้ถ้าไม่มีสติก็จะรู้ไม่ทนันดังนั้นเราต้องมาพัฒนาสติก่อน เามีสติแล้วเราดูความคิดเราก็สามารถที่จะรู้ทันแล้วหยุดความคิดต่างๆได้โอเคนะท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ <c oughs> ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเาิด